ช่วยหยาบนั้นบอกที่ชื่อว่าอาบัตช่วยหยาบได้แก่อาบัตประชิก4สิบขาบทและอาบัตสังคาทิเศษ13สิบขาบทคำ ว, ว่าปกปิดความว่าเมื่อภิกษุคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้แล้วจะโจ์จะตักเตือนจะขูจะบังคับจะทำให้เก้อเขินเราจะไม่บอกขอทอดธุระต้องอาบัตปาจิตี